สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อย่อยที่5ของ20กฎทองคำกฎข้อที่10กฎแห่งการได้และการเสียในประเด็นที่5นะครับเป็นเรื่องของการถวายครับการถวายดูเหมือนเราเสียอะไรไปแต่เป็นการได้รับ พระเจ้าข้าพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมมรรคีบทที่สข้อที่10ครับโปรดฟังพระเจของพระเจ้าพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าจงนําทัศน์เต็มขนาดมาไว้ในคลังเพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเราจงลองดูเราในเรื่องนี้ดูทีหรือว่าเราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้าและเทอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่โปรดฟังอีกครั้งครับ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 ในความอ่อนแอของเรานั้นพระเจ้าก็ได้ให้โอกาสเราหลายครั้งทีเดียวในเรื่องของอาหารในเรื่องของพรในเรื่องของสิ่งต่างที่เป็นฝ่ายวัตถุพี่น้องครับพระเจ้าก็ทรงให้โอกาสเราในหลายๆายครั้งเพื่อที่จะทดลองดูพระองค์ครับจะลองดูพระองค์จะเห็นว่าคำสัญญาของพระองค์นั้นจะเป็นจริงหรือเปล่า ตามที่พระเจ้าสัญญาไว้แท้จริงแล้วพระเจ้าทรงอนุญาตให้มนุษย์เราเนี่ยนะครับหลายหลายครั้งทีเดียวได้มีโอกาสทดลองพระองค์หรือลองดูพระองค์ทดสอบพระองค์ได้ว่าพระองค์นั้นจะเป็นหรือจะทาตามพระสัญญาจริงๆหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นกีเดโอนครับพี่น้องหรือกีเดียนกีเดโอนกีเดียนย น, ยนั้นทดลองพระเจ้าหลายครั้งทีเดียว เมื่อเขาอธิษฐานอธิษฐานขออยากจะให้เป็นเปนตามใจของเขาถ้าหากว่าเขาได้รับการทรงนำจากพระเจ้าแล้วล้ก็ถ้าหากว่าเขานั้นเป็นผู้ที่อยู่ในน้ำวัดไทยของพระเจ้าแล้วแล้วก็หรือถ้าหากว่าพระเจ้านั้นต้องการให้เขาทำอะไรแล้วแล้วก็เขาก็ขอหมายสำคัญพี่น้องครับเช่นเดียวกันมนุษย์นั้นหากเอา สิ่งของทรัพย์สินของตัวเองมาวางไว้ในคังของพระเจ้าก็ดูเหมือนว่าตัวเองนั้นก็จะสูญเสียอะไรไปบางอย่างก็เลยทําให้รู้สึกว่าตระหนีหรือถี่เหนียวตะหนีทีเหนียวหรือขี้เหนียวเอ๊ฉันจะเอาอะไรไปแล้วมันจะเป็นเหมือนการสูญเสียเงินทองให้พระเจ้าหรือเปล่าพี่น้องครับในกรณีเช่นนี้พระเจ้านั้นต้องการให้เราทดลองพระองค์ดูครับลองดูพระองค์ว่าพระองค์จะเปลี่ยน เปลนการสูญเสียให้เป็นการได้รับหรือเปล่าตามกฎของการได้รับรายการสูญเสียการสูญเสียและการได้รับพี่น้องครับพระเจ้าได้ส่งบอกกับอิสราเอลอย่างไรพระเจ้าก็บอกกับเราอย่างนั้นเหมือนกันในทุกวันนี้ว่าเราจะเปิดหน้าต่างหรือบัญชอนท้องฟ้าหรือหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้าและเทพรเทพรอย่างล้นไหลลงมาให้เจ้า พี่น้องครับหลายคนนะครับที่จะเป็นพี่เลี้ยงของเราที่เป็นผู้นําคริสจักรของเราหรือผู้อาวุโสของเราหลายท่านสามารถเป็นพยานได้โดยเพียงยิ่งผู้ที่มีความสัตย์ซื่อในการนําทัศน์สางคืนกับพระเจ้านั้นก็เป็นพยานว่าพวกเขาได้นําสิ่งที่ต้องถวายถวายไปแล้วและบางครั้งก็มากกว่าทัศน์สางอีกครับก็คือสิบรถ ในที่สุดเขาจะมีประสบการณ์ถึงความอุดมสมบูรณ์การเลี้ยงดูจากพระเจ้าที่พระเจ้าประทานกลับลงมาให้ท่านศาสนราจารย์ด็อเตอร์ฟิลิปเทงนั้นเป็นพยานว่ามีครั้งหนึ่งท่านได้ไปที่อเมริกาเพื่อจะนำการประชุมมีพี่น้องคนหนึ่งพาไปดูบริษัทของเขาและบอกกับท่านอาจารย์ดรฟิลิปเทงว่าพระเยซูเจ้านั้นทรงเป็นเจ้าของบริษัทตัวจริง พระเยซูเจ้าทรงเป็นเจ้าของบริษัทตัวจริงตรงนี้ก็ทําให้ท่านศาสาจารย์ดรฟิลิปเทงนั้นประทับใจมากเขาเองนั้นเป็นเพียงผู้จัดการเท่านั้นและพระเจ้าทรงอวยพรบริษัทนี้มากเงินที่กําไรมาหักลบค่าใช้จ่ายแล้วนําถวายพระเจ้าหมดพี่น้องครับเงินที่กําไรมาหักลบกบหนี้ค่าใช้จ่ายแล้วนําถวายพระเจ้าหมด ไม่ใช่10บรถครับแปลให้8ใน10หมายถึงว่าถวาย 80% ซ์ครับใช้เองจริงๆ 20% ซพี่น้องครับนี่คือบริษัทของพระเยซูพระเยซูเป็นเจ้าของบริษัทพี่น้องครับในการเป็นพยานเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมเองหรือหลายๆคนที่รักพระเจ้าเขาก็สามารถที่จะ เป็นพยานได้ครับว่าพระเจ้านั้นเลี้ยงดูเขาอย่างไรในเรื่องของทางกายภาพครับในเรื่องของวัตถุในเรื่องของเงินทองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันความสัตย์ซื่อในการรักษาพระสัญญาของพระองค์เสมอพี่น้องครับผมอยากจะขยายความนะครับแท้จริงแล้วมีคนได้ให้ข้อคิดที่น่าคิดครับว่าการถวายทัศน์สางนาั้นอย่าเรียกว่าเป็นการถวายเลยครับ เรียกว่าเป็นการคืนทัศน์สางดีกว่าถามว่าทำไมเพราะว่าการถวายนั้นเหมือนกับว่าเรากำลังเอาอะไรมาให้แต่ว่าแท้จริงแล้วเป็นการคืนครับเป็นการคืนเป็นการเหมือนกับเสียภา ษ, ษีแหละครับว่าเราใช้ทรัพยากรของโลกนี้ที่พระเจ้าได้สร้างขึ้นมาในการที่จะประกอบธุรกิจการงานต่างๆนี่แหละครับคือการต้องเสียภาษี เราซื้อของต้องเสียภาษีแบต 7% เราอยู่บ้านเราก็ต้องเสียภาษีที่ดินเสียภาษีบ้านเราทำอะไรหลายอย่างต้องเสียภาษีนั่นนะครับคือการที่นำสิ่งเหล่านี้กลับไปพัฒนาประเทศเช่นเดียวกันครับเมื่อเราใช้ทรัพยากรที่พระเจ้าสร้างไม่ว่าจะเป็นอากาศอาหารน้า สิ่งต่างเหล่านี้ครับมาจากไหนครับมาจากต้นตอคือพระเจ้านั่นเองพระเจ้าให้สิ่งต่างที่มนุษย์ทำให้สิ่งต่างเป็นเหมือนกับทรัพยากรให้มนุษย์ได้เสริมสร้างขึ้นมาแล้วก็พัฒนาขึ้นมากลายเป็นสินค้ากลายเป็นอะไรต่างที่มีมูลค่าแล้วก็เราก็มีรายได้จากสิ่งเหล่านั้นฉะนั้นการคืนทัศน์สางจึงไม่ควรใช้คําว่าถวายครับแต่เป็นการ คืนคืนให้พระเจ้าครับเป็นสิ่งที่เราต้องยอมที่จะคืนพระเจ้าพี่น้องครับหลายคนบอกว่าคืนได้ยังไงทำไมถึงเยอะขนาดนี้ถึง 10% พี่น้องครับถามมาเยอะหรือไม่เยอะพี่น้องลองฟังดูนะครับเวลาที่เราสูดอากาศแต่ละเฮือกแต่ละเฮือกหายใจนะตลอดทั้งวันกี่ครั้งครับนับเป็นร้อยเป็นพันครั้งใช่ไหมครับ เรากินน้ำวันหนึ่งกี่ลิตรครับประมาณ2ลิตรสิ่งต่างเหล่านี้ครับเราเสียตังเยอะไหมครับอากาศก็ฟรีนะครับน้ำก็ถูกมากนะครับแต่ถ้าพี่น้องไปซื้อน้ำในโรงพยาบาลนะครับไปสูตรอากาศในห้อง ICU นะครับพี่น้องก็จะรู้ว่ามันราคาขนาดไหนครับเราก็คงจะรู้ความจริงตรงนี้นะครับ เมื่อเราเข้าในห้อง ICU เราใช้ออกซิเจนในห้อง ICU นั่นคืออากาศครับเราใช้น้ำเกลือที่ฉีดเข้าไปในตัวเรานั่นก็คือน้ำนะครับแพงไหมครับแพงใช่ไหมครับพี่น้องครับแต่พระเจ้าให้เราฟ ร, ฟรีไม่ต้องเสียอะไรเลยฝนตกมาเราได้น้ำฟรีพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้ให้กับเราอาหารของเราแท้จริงอาหารธรรมชาติก็ถูกมากนะครับ อาหารที่มีคุณภาพดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพก็ถูกครับแต่อาหารที่ราคาแพงนั้นก็ไม่ดีต่อสุขภาพพี่น้องลองสังเกตดูใช่ไหมครับส่วนใหญ่แล้วเป็นอย่างนั้นเพียงครับเราต้องหันกลับมาขอบคุณพระเจ้าการขอบคุณพระเจ้าด้วยการคืนทัศน์สังและมากยิ่งกว่านั้นอีกครับก็คือทัศ์สังที่20 30 40 การถวายมากขึ้นนั้นเป็นการแสดงความขอบคุณพระเจ้ามากยิ่งขึ้นจนกระทั่งถึงถวายตัวครับการถวายตัวก็เป็นอย่างนั้นแหละครับคือการถวายสิ่งที่ดีที่สุดถวายชีวิตของเราให้พระเจ้าใช้ไม่มีสิ่งใดที่มีค่ามากกว่าการถวายตัวอีกแล้วครับพี่น้องขอพระเจ้าเมตตาช่วยเหลือเราดูเหมือนเสียแต่เราได้ครับอาเมน